สติโดยคุณค่าทางสังคมพุทธพจน์แสดงคุณค่าของสติในเสถกสูตรสังยุตติกายมหาวาระต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงให้เห็นความหมายและคุณค่าในทางปฏิบัติที่ใกล้ชิดกันของอปปมาทะกับสติช่วยให้เข้าใจความหมายของธรรมทั้งสองข้อนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น และในเวลาเดียวกันจะแสดงให้เห็นท่าทีของพุทธธรรมต่อชีวิตในทางสังคมยืนยันว่าพุทธธรรมมองเห็นชีวิตด้านในของบุคคลโดยสัมพันธ์กับคุณค่าด้านนอกคือทางสังคมด้วยและถือว่าคุณทั้งสองด้านนี้เชื่อมโยงเนื่องถึงกันไม่แยกจากกันและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วนักกายกรรมยกลำไม้ไผ่ขึ้นตั้งแล้วเรียกสิทธ์มาบอกว่านี่แน่เธอเธอไต่ไม้ไผ่ขึ้นไปแล้วจงเลี้ยงตัวอยู่เหนือต้นคอของเราสิทธิ์รับคำแล้วก็ไต่ลำไม้ไผ่ขึ้นไปยืนเลี้ยงตัวอยู่บนต้นคอของอาจารย์คราวนั้นนักกายกรรมได้พูดกับสิทธิ์ว่านี่แน่เธอ เธอจงรักษาฉันนะฉันก็จะรักษาเธอเราทั้งสองระวังรักษากันและกันไว้อย่างนี้จกแสดงศิละปะได้ด้วยจกได้เงินด้วยและจกลงจากลำไม้ไภ่ได้โดยสวัสดีด้วยครั้นอาจารย์กล่าวดังนี้แล้วสิทธิ์จึงกล่าวบ้างว่าท่านอาจารย์กอรับจะทำอย่างนั้นไม่ได้ท่านอาจารย์นั่นแหละจงรักษาตัวเองไว้ ผมก็จักรักษาตัวผมเองเราทั้งสองระวังรักษาตัวของเราไว้อย่างนี้จักแสดงศิลปะได้ด้วยจักได้เงินด้วยและจักลงจากลาไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสว่านั้นเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องนั้นดุดดังที่สิทธิพูดกับอาจารย์นั่นเองเมื่อคิดว่าเราจะรักษาตัวเอง ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐานมีสติไว้เมื่อคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นก็พึงต้องใช้สติปัฏฐานเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นนั้นอย่างไรด้วยการหมั่นปฏิบัติ ด้วยการเจริญอบรมด้วยการทําให้มากอย่างนี้แลเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนนั้นอย่างไรด้วยขันติด้วยอาวิหิงสาด้วยความมีเมตตาจิตด้วยความเอนดูกรุณาอย่างนี้แลเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนด้วย ภิกษุทั้งหลายเมื่อคิดว่าเราจะรักษาตนก็พึงต้องใช้สติปัฏฐานเมื่อคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นก็พึงต้องใช้สติปัฏฐานเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นเมื่อรักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตน